สมรรถภาพของสมองในโลกทิพย์เมื่อเราเข้ามาสู่โลกทิพย์แล้วจะเห็นได้เองว่ามีสิ่งที่จะต้องแก้ความเข้าใจผิดแต่เดิมกันอยู่มากมายหลายประการและมีสิ่งที่จะต้องตั้งต้งตนเรียนกันใหม่อีกมิใช่น้อยจิตใจของเราซึ่งในขณะนี้เป็นอิสระจากมันสมองของกายเนื้อแล้วก็สามารถใช้ประสิทธิภาพที่มีอยู่ของตนได้อย่างเสรี ซึ่งทำให้เรามีความสามารถเพิ่มขึ้นกว่าเดิมอีกมากดังนั้นความทรงจำของเราจึงทำหน้าที่เป็นความจำตามชื่อของมันจริงๆคือไม่ได้กลายเป็นความลืมไปดังเช่นมันสมองของมนุษย์ท่านย่อมจะเห็นได้แล้วว่าอํานาจของความทรงจำซึ่งไว้ใจได้เป็นอย่างดีบริบูรณ์เช่นนี้จะมีประโยชน์สักเพียงไรดังนั้นสิ่งที่เราต้องมาเรียนกันใหม่ในโลกทิพย์ เราจึงเรียนกันได้อย่างรวดเร็วด้วยไม่ยากลำบากและในไม่ช้ามันก็กลายเป็นธรรมชาติของเราไปโดยไม่รู้สึกตัวแต่การที่ข้าพเจ้ากล่าวว่าในโลกทิพย์ความคิดมีพลังมากมายและมีอำนาจส่งผลให้เป็นการกระทำได้ทันทีนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าเราไม่จำเป็นต้องเคลื่อนไหวร่างกายกันเสเลยเรายังมีสีงที่จะต้องทาด้วยมือกันอีกมากมายเหมือนกันและนอกจากนั้น เราก็ใช้เท้าเดินกันอยู่บ่อยๆไม่ได้ปล่อยให้มันอยู่เปล่าๆเลยเรายังชอบเดินเช่นเดียวกับที่เราเคยเดินกันมาแล้วในโลกมนุษย์ซึ่งอันที่จริงก็เป็นของธรรมดานั่นเองเพราะถึงอย่างไรอย่างไรเราก็ยังเป็นมนุษย์อยู่นั่นเองแม้ชาวโลกมนุษย์ทั้งหลายจะไม่ยอมให้เราเป็นก็ตามเมื่อเราเป็นมนุษย์เราก็อยากทําอย่างที่มนุษย์ทำํำเมื่อเรามีขาวไว้สําหรับใช้เดิน เราก็อยากใช้มันให้สมกับที่มีไว้การที่เราสามารถสร้างสารสิ่งต่างๆขึ้นมาได้ด้วยจิตใจก็ดีหรือว่าด้วยการใช้พลังแห่งความคิดก็ดีไม่ได้หมายความว่าอายวะแขนขาของเราจะตายด้านเพราะไม่มีทางใช้และไม่ได้หมายความว่าเรามีแขนขาไว้เพื่อไม่ให้แหลดูร่างกายกลายเป็นตัวยึกยืดหรือก้อนอะไรกลมๆเท่านั้น ลองคิดดูก็ได้ว่าเราใช้แขนขาของเราในโอกาสเช่นใดบ้างตัวอย่างเช่นในบ้านของเราเวลาเราอยากอ่านหนังสือเราก็ใช้มือหยิบหนังสือออกมาเราใช้มือเปิดประตูเราจับมือกันในเมื่อมีผู้มาเยี่ยมเยียนเราจัดดอกไม้บนโต๊ะเราวาดรูปเราเล่นดนตรีแล้วเราอาจใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์นาน า, นาประการเท่าที่กล่าวมานี้ เป็นตัวอย่างสองสประการในบรรดาเหตุการณ์จริงๆหลายพันอย่างเราเองก็ชอบทำอะไรด้วยมือและให้อำนาจความคิดของเราถ่ายทอดผ่านทางมือนั่นเองอันที่จริงมีหลายสิ่งหลายอย่างในภูมินี้ที่สามารถจะได้รับการสร้างสรรค์ขึ้นมาจากความคิดได้โดยตรงโดยไม่ต้องอาศัยมือเลยแต่นั่นลหละบางครั้งเราก็ชอบใช้มืออยู่แม้ว่าจะเป็นทางอ้อมอยู่บ้างก็ตาม เพราะมันทำให้เราเกิดความสําราญใจในเมื่อได้มีโอกาสใช้มือและขาสียบ้างแน่ละ่ะมีบางคราวที่เราต้องรีบกระทำโดยฉับพลันเพื่อให้ได้ผลลุล่วงไปทันทีเช่นบางครั้งเราต้องการไปยังสถานที่ที่อยู่ห่างออกไปในโลกทิพย์ซึ่งทวัดด้วยมาตรการวัดระยะทางในโลกมนุษย์ก็เป็นระยะทางหลายร้อยไมล์ถ้าไม่มีเรื่องรีบร้อนเราก็อาจจะเดินไปเรื่อย โดยไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยเลยแต่ในกรณีเช่นนี้เราชอบไปโดยวิธีรวดเร็วกว่านั้นดังนั้นเราจึงงดใช้วิธีเดินและหันมาใช้วิธีอธิษฐานจิตแทนซึ่งพออธิษฐานเสร็จเราก็จะไปถึงที่หมายปลายทางอันไกลออกไปนั้นทันที คำอธิบายเพิ่มเติมจากอาจารย์พรรัตนสุวรรณหมายเหตุข้อที่19มีหลายคนรวมทั้งข้าพเจ้าด้วยสงสัยว่าในโลกของอปปาติกะจะมีหนังสือตำรับตำราต่างๆมีเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และอะไรต่ออะไรอีกหลายอย่างเหมือนดังที่กล่าวไว้ในหนังสือโลกทิพนี้จริงหรือและถ้ามีมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรปัญหาข้อนี้ลาพังข้าพเจ้าเองตอบไม่ได้ จึงได้เรียนถามโอปปาติกาท่านหนึ่งและท่านนั้นก็ได้การุณาอธิบายให้ฟังดังนี้หนังสือตำรับตำราต่างๆเรื่องอุปกรณ์การเขียนตลอดทั้งเรื่องมือทางวิทยาศาสตร์ในโลกของโอปปาติกานี้มีอย่างแน่นอนส่วนปัญหาที่ว่ามีขึ้นมาได้อย่างไรท่านอธิบายให้ฟังว่าสำหรับหนังสือตาราต่างนั้นเกิดขึ้นก็เพราะผู้ที่เคยเป็นนักเขียนหรือนักแต่งในโลกมนุษย์ เมื่อไปเกิดในโลกของโอปปาติกะก็ได้ไปเขียนไว้อีกซึ่งอาจจะเป็นการเขียนเหมือนกับในขณะที่อยู่ในโลกมนุษย์และเขียนเพิ่มเติมในเมื่อตอนเองมีความรู้เพิ่มขึ้นหลังจากที่ได้ไปศึกษาหรือไปค้นคว้าในโลกทิพย์ก็ได้ทั้งสองอย่างปัญหาที่น่าคิดก็คือการเขียนไม่น่าจะมีขึ้นได้น่าจะเป็นแต่เพียงหนังสือที่เป็นมโนภาพมากกว่าคือไม่ใช่เป็นหนังสือที่ออกมาเป็นเล่ม ซึ่งคนอื่นสามารถหยิบเอาไปอ่านได้สำหรับปัญหาข้อนี้ท่านได้อธิบายอีกว่าขอให้นึกถึงเรื่องร่างกายถ้าหากเรายอมรับว่าวัยวะต่างๆเช่ตนตาหูจมูกลิ้นมือและเท้าเป็นต้นของพวกอปปาติกะก็มีจริงซึ่งพวกโอปปปาติกะคนอื่นๆก็สามารถที่จะเห็นได้จับต้องได้ไม่ใช่ภาพมายาหรือภาพแห่งความฝัน สำหรับคนที่ยอมรับว่าโอปปาติกะก็มีร่างกายจริงๆนั้นขอให้พิจารณาดูว่าร่างกายเกิดมาจากอะไรในเมื่อหลักมีอยู่ว่าพอวิญญาณจุติก็ปฏิสนธิทันทีและพร้อมกันนั้นก็มีนามรูปเกิดขึ้นมาทันทีพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าตรัสไวน้นี้ขอให้พยายามศึกษาให้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งแล้วก็จะเข้าใจได้ไม่ยากว่า หนังสือในโลกทิพย์จะมีขึ้นได้หรือไม่วิญญาณเป็นรากฐานของสิ่งทั้งหลายสิ่งทั้งหลายสำเร็จมาแต่วิญญาณความจริงข้อนี้เห็นได้ชัดในโลกของโอาปาปาติกะแต่ก็ควรจะเข้าใจความหมายให้ถูกต้องสิ่งทั้งหลายที่ว่าเกิดจากวิญญาณนั้นหมายความว่าเกิดจากวิบากของกรรมซึ่งมีอยู่ในวิญญาณวิบากก็คือ สมรรถภาพต่างๆที่สะสมเอาไว้ก็ในเมื่อร่างกายสามารถเกิดขึ้นได้ด้วยวิบากของกรรมทำไมดินสอปากกาน้ำหมึกตลอดจนเครื่องอุปกรณ์การเขียนต่างๆจะเกิดขึ้นมาไม่ได้แต่อย่างไรก็ดีควรจะจำข้อที่แตกต่างไว้ด้วยว่าสำหรับในโลกมนุษย์คนที่ไม่มีความสามารถในการเขียนหรือในการอ่านแต่ถ้ามีเงิน ก็ไปหาซื้อนังสือเอามาได้ตนเองไม่จำเป็นต้องสร้างขึ้นมาแต่สำหรับในโลกของโอปปาติกะคนที่สามารถสร้างนังสือขึ้นมาได้จะต้องเป็นคนที่เคยมีความสามารถในเรื่องนั้นมาแล้วเรียกว่ามีวิบากและคนที่จะอ่านนังสือที่เขาเขียนไว้ได้ก็ต้องเป็นคนที่เคยมีพื้นความรู้ในทางนั้นมาก่อนการอ่านนังสือในโลกทิพย์ไม่ค่อยเหมือนกับโลกมนุษย์ คือเสียงหรือตัวหนังสือที่แสดงออกมานั้นไม่สู้จะมีความหมายสําคัญแต่ความหมายที่แฝงอยู่ในตัวหนังสือหรือแฝงอยู่ในคําพูดอันนี้มีความสําคัญมากเพราะถ้าหากว่าเราเป็นคนที่มีความเข้าใจในเรื่องนั้นๆอยู่แล้วสําหรับในเรื่องของโอปปาติกานี้ไม่ว่าเขาจะเขียนหรือพูดด้วยภาษาอะไรก็ตามและภาษานั้นแม้ตนเองจะยังไม่เคยเรียนมาก่อนก็ตาม ก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้เร็วมากเพราะความหมายซึ่งเป็นภาษาของจิตใจไม่ว่าจะอยู่ในรูปของภาษาหรืออยู่ในรูปของตัวอักษรอย่างไรก็ตามก็ย่อมจะเหมือนกันหมดฉะนั้นสำหรับคนที่มีความเข้าใจในเรื่องนั้นอยู่แล้วพอเห็นตัวหนังสือก็คลายกับตัวหนังสือนั้นจะบอกความหมายที่แท้จริงให้ผู้ที่อ่านทราบได้ทันทีความยุ่งยากต่าง เช่นเราจะต้องจำคำแปลหรือกฎเกณฑ์ทางวยากรอะไรต่างๆในทุมนองนี้ไม่มีความจำเป็นสำหรับในโลกทิพย์จากคำอธิบายของท่านนี้ทำให้ข้าพเจ้านึตัวอย่างที่เกี่ยวกับตัวข้าพเจ้าเองได้อย่างหนึ่งกล่าวคือข้าพเจ้าเคยมีโอปปปาติกะบางคนมาขอร้องให้สวดมนต์ให้เขาฟังข้าพเจ้าเคยถามว่า ทำไมจะต้องมาเจาะจงให้ข้าพเจ้าสวดมนต์ให้ฟังด้วยเพราะถ้าต้องการจะฟังแล้วที่วัดไหนๆก็มีโอปปปาติกะที่มาขอร้องได้อธิบายให้ฟังว่าการที่เขามาขอร้องข้าพเจ้าก็เพราะข้าพเจ้ารู้คำแปลรู้ความหมายของคำสวดมนต์เป็นอย่างดีและในขณะที่สวดเมื่อจิตสงบก็ทาให้เขารู้ความหมายของบทสวดนั้นๆได้เป็นอย่างดีด้วย ซึ่งเขาเคยไปฟังที่อื่นมาแล้วไม่ค่อยจะรู้เรื่องเพราะผู้สวดไม่รู้ถึงคำที่ตนเองสวดจากข้อเท็จจริงที่ข้าพเจ้าได้ประสบมาด้วยตนเองเช่นนี้จึงทำให้เข้าใจว่าการอ่านหนังสือในโลกทิพย์ทไมจึงอ่านได้ง่ายความจริงมีอยู่ว่าถ้าหากผู้เขียนมีความรู้แจ่มแจ้งในเรื่องที่ตัวเองเขียนก็จะทาให้ผู้อ่านเข้าใจง่าย สำหรับปัญหาที่ว่าหนังสือมีขึ้นได้อย่างไรเขาที่ได้อธิบายมาแล้วก็พอจะทำให้เข้าใจได้แต่ถึงอย่างไรก็ดีเรื่องนี้ก็อดที่จะทำให้ข้าพเจ้ามีความสงสัยต่อไปอีกไม่ได้กล่าวคือหนังสือที่เขียนไว้นั้นถ้าคนเขียนเคยมีความสามารถในทางนั้นมาแล้วก็อาจจะเขียนออกมาเป็นตัวหนังสือแล้วก็เก็บเอาไว้ในห้องสมุดที่ไหนก็ตามเป็นสิ่งที่เป็นไปได้จริง แ่กระดาษหรือเครื่องอุปกรณ์ในการเขียนถ้าผู้เขียนไม่เคยมีความรู้ในการทํเสิ่งเหล่านี้มาก่อนเขาจะใช้อำนาจจิตเนรมิตกระดาษปากกาดินสออะไรต่างๆในทํานองนี้ขึ้นมาได้เองหรือว่าต้องให้ผู้ที่มีความสามารถในทางนี้เนรมิตให้และหนังสือที่เขียนไว้นั้นจะอยู่ได้นานหรือไม่ปัญหาข้อนี้ข้าพเจ้าได้เรียนถามท่านอีกและท่านก็ได้กรุณาตอบมาว่า คนที่จะได้สิ่งเหล่านี้มาไม่จําเป็นจะต้องเป็นคนที่เคยทำกระดาษทำสมุดบินสอมาแล้วเมื่ออยู่ในโลกมนุษย์ท่านขอให้นึกเปรียบเทียบดังนี้คนที่ได้ทำบุญไว้ด้วยการให้อาหารหรือด้วยการให้เสื้อผ้าหรือด้วยการให้ที่อยู่แก่ผู้อื่นด้วยจิตที่เป็นกุศลนั้นเมื่อมาเกิดในโลกทิพย์คนเหล่านี้เมื่อมีความต้องการก็จะได้เสื้อผ้าอาหารและที่อยู่ตามสมควรแก่กรรมที่ได้ทาไว คนเหล่านี้ไม่จำเป็นที่จะต้องมีความสามารถในการทำเสื้อผ้าทำอาหารหรือสร้างที่อยู่มาก่อนในทำนองเดียวกันเครื่องอุปกรณ์การเขียนต่างๆก็ยอมจะเกิดแก่ผู้นั้นได้เองโดยไม่ต้องมีความสามารถในการสร้างสิ่งเหล่านี้มาก่อนแต่ก็ต้องจำไว้ว่าสำหรับในกรณีของการเขียนหนังสือนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งคือถ้าไม่เคยมีความสามารถมาก่อนแล้วก็ไม่อาจที่จะเขียนออกมาได้จริง อย่างไรก็ดีคนที่เคยมีความสามารถในการทําสิ่งเหล่านี้มาก่อนก็มักจะมาเป็นผู้ทําสิ่งที่เคยทํามาแล้วในโลกทิพย์เช่นนะักก่อสร้างในโลกมนุษย์ก็จะมาเป็นผู้ก่อสร้างที่อยู่ให้กับคนอื่นในโลกทิพย์อย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นในกรณีที่ว่าเมื่อคนนั้นต้องการสิ่งใดก็จะมีสิ่งนั้นเกิดขึ้นเพราะเหตุว่าเคยบริจาคสิ่งเหล่านั้นมาเมื่อสมัยเป็นมนุษย์นั้น ปัญหาที่น่าคิดมีอยู่ว่าสิ่งของต่างๆที่เกิดแก่คนคนนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากจิตของเขาเองหรือว่าคนอื่นเนรมิตให้แต่คนที่ได้รับนั้นคิดเอาเองว่าเกิดจากอำนาจของตัวปัญหาข้อนี้น่าคิดมากและเลยทำให้ข้าพเจ้านึกถึงเรื่องในคำภีขึ้นมาได้ต่อนหนึ่งซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงเล่าไว้ว่าพระองค์บางองค์ มีอายุมานานก่อนโลกนี้เกิดขึ้นและก่อนที่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายจะมีขึ้นมาพรหมเหล่านี้เกิดมีความอยากที่จะเห็นว่ามีโลกมีคนและมีสิ่งต่างๆเกิดขึ้นในโลกครั้นแล้วสิ่งเหล่านี้ก็เกิดขึ้นมาจริงๆตามความคิดของตนพรหมเหล่านี้ก็เลยเกิดการเข้าใจผิดคิดว่าตัวเองเป็นผู้สร้างโลกแต่ความจริงแล้วถ้าหากจะมีคนเกิดขึ้นในโลกมนุษย์ หรือจะมีสัตว์อะไรเกิดขึ้นในโลกนี้มันก็เป็นเพราะว่าคนนั้นหรือสัตว์นั้นๆถึงเวลาที่จะต้องเกิดตามเหตุตามปัจจัยของเขาแต่บังเอิญมาเกิดในจังหวะที่พรหมผู้นั้นเกิดความคิดที่จะให้สัตว์เหล่านี้เกิดขึ้นมาเรื่องราวที่กล่าวมานี้มีอยู่ในพระมชาละสูตรข้อความตอนนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงอธิบายว่าเพราะเหตุไรจึงได้มีศาสดาบางองค์หรือพรหมบางคน เข้าใจว่ามีพระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้สร้างโลกและสิ่งทั้งปวงในโลกข้าพเจ้าคิดว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับโอปปาติกะคนใดก็ตามซึ่งเขาเข้าใจว่าเกิดจากความคิดของเขาเองนั้นยอมจะเกิดได้ทั้งสองวิธีคืออย่างหนึ่งเกิดจากวิบากของตัวเองจริงๆหมายถึงเกิดจากความสามารถที่ตนเองเคยทาสิ่งเหล่านั้นมาแล้ว จึงสามารถบรรดาลได้และอีกส่วนหนึ่งเกิดขึ้นจากบุญกุศลที่ตัวเองเคยบริจาคและสิ่งสิ่งนี้ข้าพเจ้าเข้าใจว่าเกิดจากผู้อื่นมาเนรมิตรให้กล่าวคือเมื่อผู้นั้นเกิดความต้องการก็จะมีผู้ที่รู้ถึงความต้องการอันนี้แล้วก็จะบรรดาลให้เกิดขึ้นและที่เขารู้แล้วบรรดาลให้ก็ด้วยอํานาจแห่งบุญกุศลที่คนคนนั้นมีอยู่ เพื่อสนับสนุนหลักอันนี้ข้าพเจ้ากลาเสนอข้อเท็จจริงอีกอย่างหนึ่งคือในเวลาที่โอปปาติกะคนใดก็ตามเกิดต้องการสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นต้องการรับประทานอาหารอย่างนั้นอย่างนี้ในทันใดนั่นเองก็จะมีคนเอาอาหารอย่างที่ตัวเองต้องการมาให้ทันทีแต่ถ้าคนไหนไม่เคยทำบุญหรือไม่เคยบริจาคมาก่อนแม้ตัวเองจะมีความต้องการสักเพียงไรก็ตาม สิ่งสิ่งนั้นก็จะไม่เกิดขึ้นและก็จะไม่มีใครเอามาให้ด้วยแต่ในเรื่องนี้โปรดจำไว้ด้วยว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นแก่พวกโอปปปาติกะนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องได้เฉพาะแต่สิ่งที่ตนเองเคยทำบุญมาเท่านั้นถ้าสิ่งไหนไม่เคยทำบุญไว้สิ่งนั้นก็เป็นอันไม่ได้ความจริงไม่ได้เป็นเช่นนี้หลักใหญ่มีอยู่แต่เพียงว่าเมื่อยังอยู่ในโลกมนุษย์ ขอให้เป็นคนมีความเมตตากรุณาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เมื่อมาเกิดในโลกทิปก็จะไม่เป็นคนยากจนคือต้องการสิ่งใดก็จะได้สิ่งนั้นสมความปรารถนาแม้ว่าสิ่งที่ได้มา น, นั้นตนเองจะไม่เคยบริจาคมาก่อนก็ตาม หมายเหตุผู้อ่านสำหรับในเรื่องนี้ต้องคิดอีกแง่ด้วยนะครับว่าคนที่ปฏิบัติธรรมจนจิตเลิกยึดติดในวัตถุหรือแม้แต่การพิจารณาการกินมาจนชินเป็นนิสัยกินเพียงเพื่อให้ร่างกายอยู่ได้ไม่ได้กินเพราะความอยากการติดใคลในวัตถุสิ่งของหรือการกินก็ลดน้อยไปตามลําดับดังนั้นความประณีตของจิตที่มากขึ้นตามลําดับก็จะเลื่อนพบภูมิไปสู่ภูมิที่สูงขึ้นตามลําดับ ซึ่งในระดับหนึ่งหนังสือนี้ก็ยังเป็นสวรรค์ชั้นต้นๆนะครับถ้าหากสูงขึ้นไปยิ่งเลยไปถึงอรูปาวจรเป็นภพที่ไม่มีรูปนั้นก็จะแตกต่างไปอีกอย่างมากมายนะครับเรื่องของบุญนั้นก็ให้เปรียบเทียบว่าบุญก็เหมือนเงินเมื่อมีเงินอยากได้อะไรก็เอาเงินซื้อได้บุญก็เช่นกันเมื่อมีบุญก็เป็นตัวกลางที่ให้ได้สิ่งที่ปรารถนาแม้ว่าจะไม่เคยบระจาคสิ่งนั้นมาก็ตาม แต่อาจเป็นการบริจาคสิ่งอื่นเป็นการให้การสงเคราะห์เป็นทานณจิตอย่างแท้จริงซึ่งทานาจิตในการให้แต่ละครั้งนั้นก็จะสะสมเป็นบุญเหมือนคนสะสมเงินเก็บไว้นะครับถ้าเข้าใจหลักนี้ได้ก็จะทำให้เลิกงมงายในการทำบุญไม่ต้องมานั่งห่วงว่าหลังตายเราจะไม่มีไอ้นั่นไม่มีไอ้นี่บางคนงม ง, งายหนักถึงขั้นพยายามทาเตรียมไว้ทุกอย่างในสิ่งที่ตัวเองอยากได้ ซึ่งจิตที่ทำบุญเพื่อหวังผลให้ตัวเองได้ทั้งโลกนี้และโลกหน้านั้นก็ลดทอนกำลังบุญไปอย่างมากเป็นการทำบุญด้วยความโลภไม่ได้เกิดจากจิตเมตตาหรือเป็นกุศลอย่างแท้จริงนะครับ